ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันสนีสนทนาดำเนินรายการโดยสันสนีนาคพงศ์นะคะก็มาพบกับท่านฟังกันอีกแล้วค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทรอยหกนะคะซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่เสียงดังฟังชัดรายการดีและกําลังจะทํากิจกรรมก่ อ, อ ก, การดีที่วัดปฐุมนารามในวันวิสาขบูชาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตอนบ3ายสค่ะรายการนี้เรามีพระมหาภัยบุญอภิปุณโนนะคะจากวัดป่าดอนไฮโซดรนธานี จะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธชนะไม่ถึงคําสอนของพระพุทธองค์นะคะที่ตราดเอาไว้แล้วก็ท่านจะทําให้พวกเราได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างมีครูบาอาจารย์นําด้วยพระสูตรที่ได้ตั้งใจเลือกมาให้กับพวกเราสอดคล้องกับเหตุการณ์แล้วก็การปฏิบัตินี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนต้นของรายการขอให้จับจ้องกันให้ดีหลังจากที่ดิฉันไปพบกับท่านแล้วเข้าใจว่าสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แห่งวันวิสาข์ท่านน่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษมอบให้กับพวกเราไปกราวนพัธการท่านกันเลยนะคะกล่าวนพิธการค่ะท่านไระบุญคะเชิญปอนเวลาที่เราจะเริ่มการที่คิดว่าจะบูชาผูา้บูชาผู้บูชาเน้นย้ำอยู่เสมอว่าถ้าใครคิดจะบูชาเราเนี่ยก็ให้บูชาด้วยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เราจะเริ่มทําในครั้งนี้ก็คือให้เรามาตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมดา นะไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมโดยการที่ให้หายใจอย่างเป็นธรรมดาเราก็ให้จิตของเรานั้นมาตั้งอยู่มาระลึกถึงคําว่าการกําหนดลมหายใจการคําว่ามานึกถึงลมหายใจคําว่าตั้งสติไว้กับลมหายใจก็มีความหมายเดียวกันว่าให้เรามานึกถึงลมหายใจของเราตรงไหนที่ได้ว่านึกถึงลมหายใจนะั่ก็คือบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมปัตของลมหายใจได้นะบริเวณนั้นคือบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจ เราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วก็การหายใจนี้ในอยู่ที่ว่าเราทรงจิตอย่างไรในเรื่องของการฝึกการหายใจในเป็นส่วนหนึ่งก็จะมีการซ้อนการเรียนอะไรก็แยกกันไปแต่ในที่นี้เรากําลังฝึกเรื่องของจิตของเราไม่ว่าลมหายใจประเภทไหนจะเร็วจะช้าจะสั้นจะยาวเราก็สามารถที่จะให้จิตของเรามีสติอยู่ได้สติที่เรากําลังตั้งขึ้นมานี้แม้ตัวปัมปุชช่าของเราเอง ในกรณ์การตรัสรู้ก็พยายามจะทรงจิตไว้อย่างนี้เหมือนกันในเกิดเล่าถึงตอนที่พรงประสูติก็มีสติสัมปชัญญนะเนจุติจากชั้นเทวดาลงก้าวสู่ขั้นของมารดามีสติสัมปชัญญะคลอดออกจากขั้นต่างๆแล้วตัวพระองค์นั้นก็ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการแต่นัะ้จึงจะได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะนี้ที่มีความน่าสนใจทีเดียวในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ยนี้เราก็มาพิจารณาพุทธพจน์ เรื่องลักษณะมหาบุรุษได้ตรัสเล่าถึงตัวพระองค์ไว้อย่างนี้ว่าพิสุทิ์ตั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริศาสลักษณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นครวญย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจรวดม้าสมุดทั้ง4เป็นที่สุด มีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจประการแก้วเจประการย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั่นคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกระดาบบดีแก้วและปรินายโยแก้วเป็นที่7มีบุตรผู้กล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันไกลใครจะย่ำหยีไม่ได้ตามเสด็จกว่าหนึ่พ มหาสรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักตอ่อไม่มีเสี่ยนน้ำบ้างขรังเบิกบานกเกษมร่มเย็นปราศจากเสนียดคือโจรส่งครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอมิได้โดยต้องใช้อาจยาและศาสตราแต่ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือแล้ว ก็ย่อมเป็นพระอาหารหันตัมมาสมพุทธชา้ามีกิเลสเรื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกมหาปุริษัทลักษณะ32ประการนั้นคืออย่างไหนเล่าคือ 1. มหาบรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอ 2. มหาบรุษที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมมหาบรุษมีส้นเท้ายาว สี่มหาบรุษมีข้อนิ้วยาวห้ามหาบรุษที่ฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุนหกมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายเจ็ 7. มหาบรุษมีข้อเท้าอยู่สูงแมหาบรุษมีแข้งดุจแข้งเนื้อสาย 9. มหาบรุษยืนไม่ย่อตัวลงแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสองส0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 ขึ้นเวียนกวา 15. มหาบุรุษมีกายตรงดุจกายบรม 16. มหาบุรุษมีเนื้อหนุนหนาในที่เจ็ดแห่งคือที่หลังมือหลังเท้าบ่าและคอ 17. มหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุจราชสีสิบแมหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลัง 19. มหาบุรุษมีส่วนทรงดุจต้นใจ กายกับวาเท่ากัน 20. มหาบุรุษมีก อ, อกลุ่มเกลี้ยง 21. มหาบุรุษมีประสาทรับรถอันเลิศ 22. มหาบุรุษมีคางดุดคางราชสี 23. มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอ 24. มหาบุรุษมีฟัน44บี่บริบูรณ์25 มหาบุตรมีฟันสนิทชิดกัน 26. มหาบุตรมีเขี้ยวสีขาวงาม 27. มหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอ 28. มหาบุรุษมีเสียงดุดเสียงพร o m พูดเหมือนโนกกรวิก 29. มหาบุตรมีตาสีเขียวสนิทคือสีนิน 30. มหาบุตรมีตาดุดตาวัว31 มหาบุรุษมีอุณาโลมบางคิว้วเขาอ่อนเหมือนสำลีและ32มหาบุรุษมีสีสารับกับกรอบหน้านี่แหละเป็นมหาบุริษลักษณะ32ประการของมหาบุรุษในขณะที่เราตั้งสติไว้อย่างนี้เราพิจารณาดูถึงลักษณะมหาบุรุษ3 2ประการนี้นนว่าความเป็นพระเช้าได้เกิดมาขึ้นเป็นอย่างนี้นเองเช่รปลสาธุค่ะก็มีลักษณะที่ พิเศษกว่าคนธรรมดาหลายอย่างเลยนะคะคือเรียกว่าทุกอย่างเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่บอกว่ายืนตรงๆใช่ไหมคะไม่ย่อตัวน่ะแตะเข่าได้แตะเข่าได้แต่ว่ามือท่านยาวจริงนะคะใช่แล้วก็คือก็มันก็จะสอดคลองกันที่ว่ามีข้อเท้าอยู่สูงแล้วก็หมายความว่าเข่านี่ก็ต้องสูงขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาสูงด้วยมือยาวด้วยมันก็จะแตกกันได้ตรงนี้และที่พิเศษอย่างที่ดิฉันเห็นเนะะี่ยอย่างเช่นฝ่าเท้าเนี่ยเป็นรูปจักร มไม่มีในมนุษย์คนใดนะคะมนุษย์ก็จะมีลายเท้าธรรมดาธรรมดาบางคนแทบจะไม่มีลายเลยแล้วเท้าเต็มเนี้ยก็หายากใช่ใช่คือเวลาจุดฝ่าเท้าลงไปเนี่ยอฝาเท้าก็จะจะเต็มคือไม่ได้มีเป็นรอยเท้าในลักษณะที่เราจะเห็นว่าเป็นเป็นเนว้าเข้าไปนะคนทั่วๆไปแต่ของพรงจะเจ้าจะเต็มไปเลยอืมค่ะทีนี้ข้อที่น่าสนใจแนะที่ว่า อย่างที่คุณยมติวพูดมาว่าสามารถที่จะแตะมือได้หรือว่าข้อที่ว่ามีฝ่ามือฝ่าเท้าดูตาข่ายเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องของกรรมที่ได้ทํามานะคือ ไ, อไอตรงนี้เป็นผลแล้วนะเรื่องลักษณะอย่างเราอาจจะดูว่าคนนี้มีมโงเ่เฮงอย่างนี้ใช่ไหมคุณมีลักษณะหน้าตางโงเ่เฮงอย่างนี้ของบผู้ชายหนมีสาวี่สประการอย่างนี้แหละแต่ว่าการที่เกิดมาตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าได้ฟุกๆุกมาแต่เป็นเพราะผลของกรรมได้มานะอย่างเช่นว่า ที่ฝ่าเท้าจะมีลายดุตาขายอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังขาวัตถุสนันในชาติที่ผ่านๆมาเนี่ยให้สิ่งของผู้จจรบรรจาภัยราบมีการประพฤติประโยชน์นี้ตนเสมอกัน น, นนี่เรียกว่าการสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยวัตถุสอย่างนะศัพท์เทคนิคเรียกว่าสังขาวัตถุสี่ทํามากๆทํามากๆสังสมมากมากนะเลยได้ไปเกิดเป็นเดวดา นะเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นมนุษยนะ์จึงมีลักษณะที่ว่าฝ่าเท้ามีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายตรงนี้เพราะว่าเป็นผลของกรรมนะถามว่ามีแล้วยังไงนะก็จะเป็นผูดที่สามารถสงเคราะห์ผู้อื่นนะคือสงเคราะห์พิสูจน์พิชณิบาสุอุปสิกาพวกนี้ได้ด้วยสังขาวัตถุ4สนะีบุคคลเหล่านี้ย่อมได้รับการสงเคราะห์จากพระพุทธเจ้ามันจะมีเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ นะหรือแม้แต่เรื่องคุณสมบัติที่บอกว่าสามารถยืนกายตรงนั้นะแล้วก็มือแตะข่าวได้ด้วยมือทั้งสองเนี่ยโดยไม่ต้องย่อกายอันนี้เพราะว่าเป็นผู้รู้จักชั้นเชิงของหมหาชนนะรู้ได้เสมอรู้ได้เองว่าคนนี้เป็นคนธรรมดาคนนี้เป็นคนพิเศษรู้ว่าสิ่งนี้ควรกับบุคคล น, นี้สิ่งนั้นควรกับบุคคล น, นั้นแล้วก็ทําอย่างนั้นอย่างนั้นนะทําอย่างนี้มากๆด้วยความสามารถตรงเนี้ทําให้พระองค์เนี่ยมีคุณสมบัติ2ข้อคือยืนตรง โดยไม่ต้องย่อกายแตกเขาได้แล้วก็จะมีเสว้อทรงเหมือนต้นไทรมีลักษณะเป็นลักษณะสองอย่างในมหาบุรุษ 3.2 ประการสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลของการมีลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีฮิริมีโอัตตปะมีสุตตะมีชัก้ามีปัญญาพวกนี้จะเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกได้ในระดับหนึ่งค่ะก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วสารพัดประการในส่วนที่เป็นบุญ ก็จึงทำให้มีลักษณะเช่นนี้ซึ่งมีอยู่32ประการนะคะถือว่าเป็นลักษณะของมหาบุรุษแล้วมหาบุรุษเนี่ยมีฟันเยอะนะคะท่าน44ซี่ใช่คนปกติมีเท่าไหร่นะคะ32นะทางทางการแพทย์นะมี32ซี่และ32ใช่แล้วก็ถจ้าหักฟันคุดออกไปอีกก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะ ฟันคุดอีกสี่ซี่ที่คุณจะต้องตัดติ้งไปแสดงว่ามีมีเขาเรียกว่าขาไกลเนี่ยยาวมานะคือมีกามใหญ่ว่างั้นเถอะทำให้ใบหน้าเนี่ยมันก็จะสอดรับมีโครงเข้าหน้าสอดรับกับใบหน้านะเป็นลักษณะของผู้ที่มีแบบสันฐานแข็งแรงว่างั้นเถอะนะที่น่าสนใจตรงนี้นะคุณโยมถือว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ประสูติออกมาแล้วอะ่ะยังเป็นเด็กอยู่เป็นทารกใช่ไหม แล้วไปเห็นฟันได้ไงนี่มาก็ยังสงสัยอยู่นะไปะฟันมีมีไปเห็นฟันได้ยังไงเพราะว่าฟันคงยังไม่โตหมดมนึกออกไหมฟันคงยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง78วันตรงนั้นซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีคําอธิบายที่พูดถึงว่าอัญญาโกธัญะท่านโกธัญญะตอนนั้นเป็นพรามอยู่เนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมในพิธีทํานายลักษณะของของอบุตรที่เกิดขึ้นในพระเจ้าสุตโธธนะนะ แล้วที่แต่ละคนเนะี่ยพวกพราหมณ์ที่เขามีความรู้ความเรียนมาเนี่ยเขาก็พูดตามคัมภีเขาเลยนะี่ยที่ว่าเอามีลักษณะ32อย่างนี้หมดเลยนะแสดงว่าถ้าไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านโกนธัญญาเนี่ยตอนนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นพรามณ์อยู่เนี่ยก็บอกว่ามีทางออกทางเดียวนะคือเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะเพราะด้วยการเห็นเต๋าวาตั้ง4ซึ่งตรงนั้นก็เลยเอาตมาก็เลยสงสัยอยู่นะว่าเอา๊ะทำไมเป็นเด็กเราถึงมีฟันได้ยังไง อาจจะก็ไม่แน่ใจเนาะข้อนี้ค่ะก็อาจจะเป็นการพูดถึงอนาคตข้างหน้าเติบโตไปจะมีฟันขนาด น, นี้ก็ได้นะคะใช่ใหรือว่าการทํานายต่อมาในช่วงช่วงพูดถึง16ขวบ17ขวบนี้ก็อาจจะเป็นได้นะช่วงนี้นอาจจะก็อยากจะมีการทํานายอีกคือนี้อาตมาก็ไม่แน่ใจแต่ว่าช่วงนั้นก็ฟันก็ต้องขึ้นแ ล, ล้วล่ะค่ะแต่อะไรก็ตามเราก็ได้รู้ลักษณะของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปเนี่ยเวลาเราเห็นพระพุทธรูป ก็ไม่ได้ทําให้เราสามารถจะรู้สึกว่าอ๋อลักษณะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างที่เล่าดังนี้เท่าใดนักนะคะเพราะว่าเราก็มักจะเห็นพระพุทธรูปเป็นสีทองเหลืองอบ้างเป็นปูนบ้างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเอ่อตรงนี้คือเป็นการการอธิบายที่เอ่อคนเขาเขาเอาข้อมูลตรงนี้แหละไปปัน้นพระพทรูปใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนละมันมันจะไปเปรียบกับตัวพระพุทธเจ้าองค์จริงๆเป็ น, ปนๆก็ไม่ได้ ตอนี้ที่เราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าแทนที่เราจะไปติดยึดในรูปลักษณะว่าเอาต้องมีรูปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แต่สิ่งที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมไปก็คือว่าแล้วได้ทํากรรมอะไรอะไรมาแล้วจะได้ผลเป็นอะไรอะไรนี่คือคที่สําคัญที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจะะจะได้ประโยชน์ตรงนี้ถ้าเกิดฟังท่านพริบุญไม่รอบด้านจะไปหาข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกต้องได้จากที่ไหนคะตรงนี้ก็มีอยู่ในหนังสืออริยสัจจากพระโอษ ก็มีนะที่ได้พูดถึงบุพกรรมในในการก่อนว่าบุรุษเจ้าทำอะไรม า, าเช่นว่าเป็นผู้ที่เว้นขาดจากปานาติบาตเอาอย่างง่ายๆเราเราเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์นะทำอยู่บ่อยๆนะก็ได้เป็นมหาบุตรได้มีลักษณะมหาบุรุษถึง3ข้อด้วยกันนะเช่นว่ามีส้นเท้ายาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุจกายบรมนะพวกนี้ก็เป็นคุณลักษณะที่จะได้อันเป็นผลจากการที่คุณเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คุณสมบัติทั่วไปรักษาศีนห้าก็จะมีผลทำไม่ได้ตรงนี้น ะ, ะซึ่งหาอ่านได้ตามหนังสือทั่วไปอาจารยบอลค่ะนะคะท่านฟังคะเนื่องในโอกาสเทศกาลวันวิสาขบูชานะครับเป็นวันประสูติตรัสรูปปร้ปณิพานของพระพุทธเจ้าท่านพุบุญก็เห็นว่าเป็นวันดีที่เราจะได้มาทําความรู้จักพระาศาสดาเรากันให้มากยิ่ยงขึ้นวันนี้ก็เลยเล่าเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ท่านรู้ว่าทําอย่างไรทําอะไรมา ถึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีลักษณะของมหาบุรุษดังนี้ ใ, ใ, ใช่ใช่อันหนึ่งที่น่าสนใจพูดถึงที่คุณยมติวพูดถึงว่าการมีฟัน44่สี่เน่เพราะว่าเป็นผลของกรรมที่ว่าการพูดจานะเพราะว่าการพูดจาเนี่ยไม่พูดวาจาสอเสียดนะคือไม่ฟังจากข้างนี้ไปบอกข้างนู้นการพูดสับสอการพูดยุยงให้คนแตกกันไม่ทำนะเว้นขาดจากกา ร, กการทาพวกนี้ แต่ไม่มีฟัน4 4ครบบริบูรณ์แล้วฟันก็สนิทชิดกันไม่ห่างกันนะนี่มีอันนี้22ข้อตรงนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพอพอเป็นผู้ที่มีฟัน40ซมีฟันสนิทชิดกันไม่ห่างกันเนี่ยก็จะมีบริษัทไม่กระจับกระจายถ้าเกิดภิกษุภิกณิบาโสวาชิกาเนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่กระจับกระจายทุกคนจะรวมกันเป็นกลุ่มข้อมีความสามไม่กี่กันนี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือมีตาสีเขียวสนิท นี้น่าสนใจบางคนอาจจะคิดว่าพระเจ้าตาสีดําแต่จริงๆพระเจ้าตาสีเขียวนะตาสีนินสีนิน อ, อันนี้เป็นผลมาจากอะไรนะเป็นผลมาจากการที่เวลามองคนอื่นเนี่ยอย่าไปมองค้อนควักนะไม่จ้องลับหลังมองเพ่งตะเบงเหมือนกับหน้าเขียวทําตาเขียวอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่เป็นผู้ลามองเนี่ยก็ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆง นะมองดูพู้ื่นด้วยสายต า, ยยางคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่้นะามากๆก็จะไม่มีตาสีเขียวสนิทแล้วก็มีตาดุดตาโคนะนี่คือ2ข้อที่จะเกิดขึ้นได้หรืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอุณลมหว่างคิว้วนะคือผลที่เกิดขึ้นระหว่างหว่างคิว้วนะซึ่งคนทั่วไป จ, จะไม่มีผลนะที่เกิดขึ้นระหว่างหว่างคิ้วอันะนี้ก็เป็นผลที่มาจากการที่ไม่กล่าวมุสาวาต เนเว้นขาดจากมุสาวาดพูดคำจริงนะ่มีแต่พูดคำสัตว์เป็นคำซื่อตรงทำให้มีลักษณะก็คือมีขนกลุ่มละเส้นแล้วก็มีอุณาโลมหวังคิ้วเขาอ่อนเหมือนสำลนะีมีหมอคนหนึ่งเขาเอ่อมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการปลูกผมต่อผมเนี่ยเขามาเคยพูดแต่มาฟังว่าจริ ง, รงๆคนเราเนี่ยขนขุมขนหนึ่งเส้นเนี่ยจะมีขนอ่อเส้นบ้าง3มเส้นบ้างก็มีแล้ว1เส้นก็มี mm. นะซึ่งคนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้เขาก็ยังไม่เคยเจอคนไหนที่จะมีนขนคุ้มละเส้นอย่างเดียวนะก็จะเจ อ, อ, อ, อบางคุ้มมีสองเส้นบางคุ้มมีสามเส้นเขาจะเจออยู่วนะ<อ>่าเขาเห็นตรงนี้เขาก็อประหลาเหมือนกันเนาะพระพุทธเจ้ามีแค่คนคุ้มละเส้นค่ะพวกคนที่มีเคราชายอย่างผู้ชายคนนาน า, นาแข็งๆหน่อยอาจจะดูง่ายดิฉันฟังรายการไปเนี่ก็พยายามดูตัวเองนะคะท่านคะ มันมองไม่เห็นเ <laughs> ช่นเล็กมาก <laughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเราแต่ว่าหมอยืนยันแบบนี้แล้วน่าที่จะสรุปได้ อ, อย่างหนึ่งว่าเป็นลักษณะพิเศษจริงๆใช่ใช่ค่ ะ, ะคือคนพิเศษอย่างนี้นานๆจะมาเกิดขึ้นทีหนึ่งค่ะ <laughs> คือเหมือนกับว่าการสรุปได้อย่างหนึ่งว่าการที่เราปฏิบัติดีใช่ไหมคะปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบมีผลต่อบุคลิกลักษณะของเรา อ, อย่างนี้ดีฉันจะสรุปได้ไหมครว่าถ้าคนเกิดมาสวยก็เป็นเพราะว่าต้องมีดีอะไรบางอย่างอยากแน่นอนอันนี้พระเจ้าเคยยืนยันเอาไว้ในะอยู่หลายพระสูตรพระสูตรหนึ่งก็ที่พูดถึงเรื่องว่าคนที่เคยเป็นเทวดามา ก, ก่อนอย่างเงี้ยเพราะทํากรรมดีใช่ไหมเป็นเทวดามาเกิดบนโลกมนุษย์ใหม่ก็จะมีผิวผันงามเนี่ยเป็นคนหล่อเลี้ามีเงินมีทองพวกนี้ในทางตรงข้ามถ้าคุณทำความชั่วคุณไปต่างโลก ในสัตว์นรกที่จะมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยก็จะเกิดมาลักษณะที่แบบง่อยเปลี่ยเสียขามีรูปพันธุ์ไม่สวยงามมีเงินทองน้อยก็จะเป็นลักษณะเป็นโดยทั่วๆไปจะเป็นอย่างนี้โดยทั่วๆไปนะค่ะทีนี้ตอนสาวๆก็สวยดีนะคะหนุ่มๆก็หลอดีพรเวลาผ่านไปผ่านไปมันถ้าเคยแค่เป็นคนเคยหลอนะคะ <c oughs> เคยสวยตอนนี้ต้องรีบถามท่านเกรงว่าจะหมดเวลาซะก่อนเยาวัน <c oughs> อ, อยากจะสวยนานๆหรือว่า อยากจะเกิดอีกสวยอีกรออีกทํำยังไงดีค ะ, ะท่านค ะ, ะเหตุที่จะเป็นไปเพื่อวันนะ่นะเอาแหม่คุณยมติยวพูดถึงชาตินะเอาชาตินี้มันเลยนะชาตินี้เลยสมมุติคุณเกิน30ไปแล้ว 40- 50ไปแล้วอย่างเงี้ย ค, ความสวยมันจะเริ่มเศร้าหมองไปใช่ไหมวันณะเราก็ที่จะแจ่มจัดเหมือนเดิมมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่จะมีได้ที่เป็นวันนะ่ะที่พระเจ้าหมายถึงเนี่ยคือเรื่องของศีลนะถ้าเรารักษาศีลดีเนี่ยจิตใจของเราจะเป็นผู้ที่ มีความไม่ร้อนใจมีใจสบายเพราะฉะนั้นเราก็ยังเคยเห็นบางคนแก่ก็จริงอะ่ะแต่แบบดูแล้วสุขุมดูแล้วสวยงามในในลักษณะของความที่เขามีอายุมากนั่นนี่คือวันณั้ที่เราจะได้จากการที่เรามีศีล น, นั่นคือวันณั้ที่เปล่งออกมาจากกายของเราอะนะจากการที่เรารักษาศีลในชาติปัจจุบันก็เหนืนได้และแน่นอนไปถึงในพบต่อไปในะการรักษาศีลเป็นไปเพื่อวันนะั้นด้วยการที่เราไม่เครียดไม่โกรธคนอื่นนะไม่โกรธไม่ด่าว่าเขา ก็จะเป็นใบเพื่อความมีวันนะงามในชาติต่ อ, ตอไปอเกิดขึ้นได้อย่าบอนค่ะนะคะก็รีบจับ่วยกันนะคะว่าในชาตินี้เราก็ยังดูดีอยู่ได้ถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปสิ่งที่ช่วยให้เราดูดีไม่ใช่เข้าคลินิกนี่อ่าใช่อันนี้เป็นคลินิกพระพุทธเจ้าคนสมัยนี้นะคะท่าน เข้าเซเว่นอเลฟเวก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามเลยเล่นเองเนี่ยก็เชยนะครับไได้เข้าพวกร้านสะดวกซื้อเลยแบบนี้วันนั้นเข้าไปไปยืนอยู่หน้าตู้เย็นงงไปหมดเลยค่ะมีน้ําอะไรแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยจะเป็นส่วนผสมที่เป็นไปเพื่ อ, อความสวยผลความสวยความงามบ้างควา ม, มแข็งแรงความมีผิวพรรณดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เยอะไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของโฆษณาด้วยเหมือนกันนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสินค้าเป็นเรื่องภายนอกถูกไหมคะชเป็นเรื่องภายนอกแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องทางจิตถูกต้องถูกต้องไม่น่าเชื่อว่าการพัฒนาทางจิตก็ช่วยทําให้รูปร่างหน้าตาผิวพันดีขึ้นด้วยมีส่วนมีส่วนทางการแพทย์เขาก็ยืนยันมีผลงานวิจัยหลายอย่างยืนยันแต่ดิฉันเนี้ยเคยเห็นพระปฏิบัติรูปหนึ่งนะคะเป็นพระชื่อดังเหด้อเคยไปพบ ช่วงแรกๆเป็นแบบหนึง่งแต่พอหลังจากนั้นหลายปีมา น, นะคะดิฉันไปเห็นแล้วงงมากเพราะว่าเวลาผ่านไปท่านอายุมากแล้วตอนที่เราไปพบหลังจากที่ไปพบอีกครั้งก็ต้องมากขึ้นเยอะอใช่ไหมคะมมแต่ท่านดูผิวพรรณผ่องใสามากขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะนี่แหละอันนี้เลยทําให้ดิฉันเชื่อจริงๆว่าอ๋อการปฏิบัติทางจิตทําให้เป็นเช่นนั้นใช่ใชค่ะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายพระพุทธองค์เองก็ยัง ก่อนปรินิพานใช่ไหมคะที่ทรงบนถึงทรงปรารบถึงความแก่ใช่ใช่ไมคะที่ร่างกายท่านท่านพอจะจําพระสูตรนี้ได้มคะยังจําได้แต่มีคลั่มคลําคลาดหรือว่าเราจะว่ากันวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็ได้แล้วก็เรื่องของการปรินิพานด้วยในสัปดาห์นี้แหละเราจะพูดกันเรื่องนี้ค่ะค่ะบูรนเตือนแดิฉันว่าเวลาหมดเวลาหมดเจริญก็กลับนมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเจริญานนมัสการค่ะท่านฟังที่ครบค่ะและนนก็คือกรรหาภัยบุญอภิปุโนนะคะซึ่งท่านศึกษา สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้และนํามาถ่ายทอดให้กับพวกเราทําหน้าที่พระสงค์ที่พึงกระทําซึ่งพระพุทธองค์ได้อมอบภาระหน้าที่นี้เอาไว้พวกเราก็โชคดีนะคะที่เราได้รู้จักพระพุทธองค์มากขึ้นผ่านการที่มีพระคุณเจ้าศึกษาอย่างนี้เพราะว่าในทางตรงๆถ้าไม่มีใครมาถ่ายทอดบางทีเราเห็นไม่ค่อยเข้าใจอ่ะภาษาพระเราก็มองข้ามไป นะคะแต่จริงแล้วก็ไม่ได้ยากเกินกว่าจะรู้ได้เพียงแต่ว่าตอนตั้งต้นเนี่ยอย่าพุ่งไปท้อซะก่อนแล้วถ้ามีครูบาอาจารย์มาคอยบอกอย่างนี้ด้วยก็ดีกว่าเรามีการปฏิบัติทำพร้อมๆกันตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยและยิ่งถ้าท่านเข้าใจแล้วเนี่ยฟังทำไปท่านสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งตลอดทั้งวันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าการที่ฝึกการมีสตินั้น สามารถทำได้ตลอดเวลาวันนี้เราก็คงจะลางไปแตะเพีงเท่านี้นะคะสำหรับรายการสัมสนีสนทนาส่วนทางสถานีแห่งนี้คือสทร้อยหกครอบครัวข่าววันวิสาขาบูชาก็จะเชิญชวนท่านทั้งหลายไปก่อการบุญกันที่วัดปทุมวนาราวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ